รรมชชาดกแผ่นที่หกลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13สิงหาคม2555้ามีชื่อเรื่องว่าคาถานกยูงทอง วันนี้เป็นวันที่13 ส, สิงหาคมพุทธศักราช2555พระจำพรรษาที่วัดของเรา42รูปนะคณะสัายาติโยมแต่วันนี้ลงมาฉัน30รูปงดฉัน12รูปวันนี้พระไม่ลงมาฉันพร้อมกันงดฉันท่านภาวนาของท่าน หมดไป12องค์12รูปแล้วก็คือวัดของเราในพรรษาการับบาสนอกวัดออกพรรษาแล้วก็เข้ามาฉันในวัด น, นอกพรรษานี่ก็รับบาสนอกวัดทั้ง3าทั้ง3เดือนนี่แหละทุกวันในพรรษาก็รับปีนทะบาตรฉันในวัดแต่พอเข้าพรรษาพวกเรารับ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 ไปโทษพระป่าเมื่อวันที่สิก็ได้พบครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนหลวงพ่อยังไม่ไเคยแจ้งให้คณะสัตยาญาติโยมทราบพราผ้าป่าที่พวกเราไปทอดที่สวนแสงธรรมเมื่อวันที่เจกรกฎาก่อนเข้าพรรษาที่ไป บ, บุรณสวนแสงธรรมคราวนั้นหลวงพ่อได้เป็นชักชวนพระสงฆ์เจ้ า, าวาดต่างๆ ที่เป็นสิทย์เดียวนุสิตขององค์หลวงตาและคณะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ไปร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาธนะสวนแสงธรรมที่น้ำท่วมพวกเรากวดน้ำท่วมใหญ่เสียหายมากต้นไม้ตายเยอะและฝศนาธนะก็รู้สึกว่าจะต้องได้ยกขึ้นตามระดับเพื่อให้หนีน้าแต่เมื่อวานหลวงพ่อเขาไม่รู้ยอดเหมือนกัน แต่พยายามถามใครก็ไม่มีโอกาสที่จะถามเมื่อเข้าไปเมื่อวันที่สิบสิงหาหลวงพ่อก็ไปถามหลวงพ่อจุติใจที่เป็นเจ้าของบัญชีและเจ้าอาวาสปัป่าบ้านตาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อถามว่าท่านหลวงพ่อจุติใจแห่ผ้าป่าสามัคคีของพวกเราที่ทอดที่สวนแจงธรรมวันนั้นยอดจุดทีเท่าไหร่ท่านบอกว่ารวมกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณ สิสี่ล้านกว่ากว่าโอหลวงพอ่อว่าอื้มพอใจอย่งนะคงจะได้ดูแลเสนาชนะสวนแสงธรรมต่อไปเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีวัดป่าบ้านตากเพื่อสวนแสงธรรมเปิดบัญชีเป็นบัญชีนั้นเพื่อวัดบัญชีวัดป่าบ้านตากแต่เพื่อสวนแสงธรรมเจ้าของบัญชีก็คือพันปราชญ์สุดใจเป็นองค์ที่หนึ่ง รองเจ้าวาดคืออาจารย์บำลุงองค์ที่สององค์ที่3อาจารย์บุญมีถ้ำเต่าองค์ที่4ท่านพระอาจารย์กอไผ่กกสะทอนบัญชีมีชื่อมีอยู่สีองค์ที่ดูแลบัญชีหลวงพ่อมีแต่ผู้รวบรวมบอกพรศนัทธาญาติโยมช่วช่วยกันหลวงพ่อก็ได้ลงขันไปเห็นหลายแสนเหมือนกันนะเพื่อดูแลบำลุงสวนเจ้ธรรมขององค์หลวงตา อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามเรื่องการบุญการกุศลเร่การสาธารณประโยชน์เพราะที่จะช่วยจุดไหนได้เพราะจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยยกันไปอย่างเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวนี่นะก็มีมากแต่ว่าเรื่องส่วนที่เราจะดูแลบำรุงรักษาหรือ่อวัดของเราหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ มองค่าเป็นเหมือนกันพระสงฆ์ในวัดของเราเป็นยังไงการเป็นอยู่การบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่าให้าขาดตัวบกพร่องนะอันนี้หลวงพ่อก็พยายามบอกกล่าวแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกพระของเราทุกองค์อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพรม้อมมาอยู่เสมออย่าไปช่าใจในความไม่ดีนิดๆหน่อยๆ เ, เรียกว่าเหมือนกับไฟนะมันมีหน่อยเดียว ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ต่อไปมันกัดลุกลามขึ้นไปเรื่อยอาจจะไหม้จ้าลงจ้าลาไม่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นหน้าแรงน ะ, เ, ะเรื่ อ, องไฟของเราก็เหมือนกันถ้าไฟฟ้ารัดวงจรมันช็อตแต่ว่าไม่เป็นไ ร, รนิดหน่อยอย่าไปประมาทพอเขาคำว่านิดหน่อยคานี้แหละต่อไปมันอาจจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็รัดวงจรอาจจะไหม้ซาลาวที่พักพาอาศัยของเราได้ คำว่ า, าไฟแล้วเราต้องระวังเนี่ยจะมันเกิดน่าสะานที่ใดที่มันแตกแตกต่างไปแล้วเนี่ยเราต้องระวังพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านปรารบภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านบวชเข้ามาด้วยศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาคงจะมีสกุลหรือตระกูลใหญ่พอสมควรเข้ามาแล้วก็ จะบวชในพระพุทธศาสนาแต่พอมาเจอเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอืกระแทกเข้ามาทําให้พระองค์นั้นเปรไปเหมือนกันพอเปรย์ลกล้วก็อยากจะสึกเนี่ยไล้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อะไรก็ น, นำไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเออเรื่องกิเลสเนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนถ้าหากว่าพวกเราไม่ละมัดระวังไม่ สมรวมระวังทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้รับความทุกข์เหมือนกันไม่ว่ายุคนี้สมัยก่อนสมัยก่อนก็เหมือนกันนกยุงทองรักษาศีลบริสุทธิ์อยเจ็ดถึงเจ0ดรปีรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่เจ0ดรอปีผลที่สุดก็กิเลสเข้ามาครอบงำทำให้นกยุงทองได้รับความ เพราะว่าขาดการยับยัง้งขาดการคิดพระพุทธองค์จัดเพียงแค่นั้นพระสงค์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าวาสมัยไหนพระพุทธเจ้าขาดที่นกุงทองที่ได้รับความทุกข์สมัยนั้นพระพุทธองค์ก็เฉลยปัญหาเยกเป็นชาดตกขึ้นมาถสมัยหนึ่งพระเจ้าพร ม, มทัศของราชสมบัติกรุงพหรานันีสมัยนั้นมีนกุงทองตัวหนึ่งอยู่ในฝูง พอใหญ่ขึ้นมานกยุงทองตอนนี้ก็อยู่ในฝูงหลายร้อยตัวพอ น, นกยวงทองไปกินน้ำไปกินน้ำในแม่น้าไปดื่มน้ำในแม่น้ำล้วก็ขึ้นมากันมองเห็นตัวเองในน้ำา่าโอ้เราในสีสีทองแล้วก็มีสร้อยผพดกวยาูกยูงทั้งหลายสีทองเป็นดวงเป็นดอกเป็นดวง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 ตัวไหนผิดปกติเนี่ยที่เป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยพานเขาจะต้องเนี่ยปล่อยธนูและยิงธ น, นูหรือว่าหาวิธีจับนกตัวนั้นแต่นั่นนกยูงตอนนั้นก็เลยบินกลางคืนมาพวกหมูนอนหลับหมดลูกยูงสีเขียวนะ่ะเป็นบริวารนะแต่ท่านเป็นสีทองเนะี่ยจากนั้นน่็พอหมูนอนหลับกลางคืนนะ่ะคงจะเป็นเดือนไายนะท่านก็ขโมยบินเลย บินไปตามลําพังเข้าไปสู่ภูเขาที่ไกลที่สุดข้ามภูเขาไปสามสามชั้นเลยเบาไปถึงชั้นที่สี่ก็ไปอยู่ที่นั่นพอไปอยู่ที่นั่นก็หาที่ทําเลไปเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในหุบเขาก็าไปจับเกาะอยู่ที่นั่นก่อนจากนั้นก็ขึ้นไปสํารวจถ้ำเขาไปเห็นหน้าผาไปเห็นถ้ำหนึ่งเป็นภูเขาสูงชัน้น เป็นหน้าผาคนจะปีนลงก็ไม่ได้คนจะปีนขึ้นก็ไม่ได้หน้าผา น, ะนกยุงก็ไปเห็นก็เข้าไปอยู่อาศัยถ้ำไ ป, ไปอยู่อาศัยถ้าแล้วก็ลงมาหากินแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะลงไปหากินพอพระสว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า น, ะนกยุงทองตัวนี้ก็ขึ้นไปเกาะ บ, บนยอดเขาเนะพอยอดเขาแล้วก็ไล่พระคาถาเนะี่ย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 ขึ้นมาไปเกาะบนยอดเขาอีกมองไปทางทิศ ต, ตะวันตกพระอาทิตย์กําลังเจะรับขอบฟ้านกยูงทองก็ไล่ค า, าถาขึ้นมาอีกอย่างเปตยันทุกุมะเอกร า, าชาอาริสวาโน่พระราช า, า, พ, ราพระอาทิตย์อย่างเหมือนกับพระราชาจะรับขอบฟ้าไปแล้วโดวยอํานาจพลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเข้าไปเจ้าตลอดราฏีนี้ด้วยเทินะนี่แหละอันนี้นกยูงทองตอนนี้นก็ลงมาจากกลังเขาก็เข้าไปใน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 ให้ตลอดปลอดภัยด้วยเทินวันนี้ไงแล้ว ก, กับตอนเย็นมาก็ไหว้พระสวดมนต์อีกตั้งคิดอธิษฐานอีกตัวอํานาจคุมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าในราตีนี้ด้วยเทินใช้กระทานุกยุงทองหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะนจากนั้นนกยุงทองตัวนั้นครองตัวอยู่ในนั้นและมีพรานป่าพรานไปซอกแซกไปเืลยนะพราน ไปเห็นนกยุงทองอยู่ในป่าอย่ยอดเขาโอ้โหนกยุงทองเด็กน่ะมันสวยมากเลยใหญ่อีกต่างหากสวยอีกต่างหากเราไม่เคยเห็นพรานคนนะั้นเลยมาบุบบอกให้ลูกชายฟังถ้าว่าใครก็ตามนะพระราชาหรือว่าพรามณ์ก็ตามนะถ้าถามว่านกจูงทองมีไหมให้บอกเขานะพ่อเห็นแนละ้อยู่ภูเขาลูกนั้นนะอ่ะว่าสวยงามมากเป็นนกนกยุงทองสวยมาก อยู่ภูเขาลูกนั้นนะถ้าว่าใครถามนะแต่พระเจ้าเป็นดินที่บพรามถามแต่คนอื่นอย่าไปพูดให้ใครฟังนะพอสังลูกต่อมาพรานตอนนั้นก็เลยตายพอตายแต่นี้พอวันหนึ่งอัครมเหสีของพระเจ้าพรานทศีฝันไปฝันไปว่าไปเห็นลกยุงทองแสดงธรรมให้ฟังโอ้ภัยเลาะจับใจอย่างมากในนิมิตนะสุบินนิมิตตื่นเช้ามากเลยมาพูดให้พราชา ฟ่าโอ้เมื่อคืนอีกย่างหนึ่งได้ยินเสียงธทำก็ขอให้พระ อ, องค์หาคนทั้งหลายมาบอกโดยเถิดว่าข้าพเจ้าต้องการนกยุงทองต้องการนกยุงทองนแต่นี้พระราชาก็ประ ก, กาศหาก็ไปถึงลูกของพรามพรามลูกของพรามคนนั้นก็บอกว่าลูกของพรานลูกคนพรางบอกว่ามีพ่อบอกว่านี่อยู่ภูเขาลูกนี้อยู่เข้าไปในนั้นเดินไปอย่างนั้นอย่างนั้นเขมีแผนที่ไว้เสร็จ แต่เนี่พวกพลานอะไรก็ไปพระเจ้าบดินก็นให้ไปพอไปแต่เนี่ยกัไปพยายามจะจับนกยูงทองโดนจับยังไงก็ไม่ได้เ อ, อพราะว่าอุเทนยันจุกุ ม, มาใช่ด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเทวทั้งหลายคุ้มครองก็จะดักจับยังไงก็จะยิงก็ไม่ได้จะทํำยังไงก็ไม่ได้แต่เนี่นาง อากรรมเหสีของพระเจ้าพาลานิสีก็เลยตายไปอีกพอตายพระเจ้าพาลานิสีก็โมโหในใจใคล้ายๆกับว่าโกรธแค่ไหนุกอยู่ลุกหยุงทองก็เลยเขียนเป็นใส่แผ่นทองคําเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามได้กินเนือน้อนกอยู่ทองตัวนี้ที่จะจับอยู่เนี้ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเฮจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทถ้าได้สลักไปเอาเข้าในตู้แก้วเอาไว้ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมา เขามาอ่านเอก็กอ่านแผนโอ้พยายามส่งพลานไปะเอกไปจับเอกจนเจ็ดพราชาเนีไปพยายามจับนกยุงทองตัว น, นั้นเพราะจับไม่ได้เพออง์ที่เจ็ดนี่ น, นี่ยพรานนย่งมีหัวเลยบอกเอ๊ะน่าจะเลี้ยงนกน่าจะทํานกยุงทองตัวเมียเพราะมันอยู่นกยูงตัวมันอยู่ตามลําพังไม่มันอยู่หากินตามลําพังตัวเดียวควรจะเลี้ยงนกยุงตัวเมีย ตัวที่เลือกคัดสรรให้สวยงามนั่นแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีวิดีร้องแล้วก็อยู่ยังไงลักษณะอย่างนั้นเมืันก็นกต่อของเราเนะี่ยเราต่อนกเขาเขาก็ต้องนกเขาเสียงดีใช่ไหมลักษณะดีท่าทางดีเนนกนกต่อเนะี่ยทีนี้เขาก็ต้องเลือกคัดสรร น, นกต่อของเขาอย่างดีฝึกซ้อมอีกต่างหากสอนให้มันอีกต่างหากพระเนรโชกับนายพานก็ได้นกไปถึงใกล้แล้วก็ บริเวณที่นกยุงทองลงมาก็จับมากับนกยุงทองเอี่จูบบนยอดเขาให้นกตัวนี้ร้องขึ้นมาถึงคงจะร้องไพเราะจับใจเพราะเสียงนกยุงทองตัวเมียเนี่ยพอร้องจับใจแต่นกยุงทองที่อยู่ยอดเขานดิไม่ได้ไล่หมดเลยนะเออเลยลืมสาธยายพระคาถาตนเองนะเนี่ยพอได้ยินเสียงนกยุง ตัวที่เขาเอาไปล่อเอาไปต่อเนี่ยร้องขึ้นมา เ, เสียงจับใจมันซึมซับเข้าไปสู่หัวใจแล้วงั้นเหอมันมันคงจะถ้าเป็นจังคนก็คงจะปิ้งลักษณะอย่างนั้นแล้วงั้นเลยคงจะเมาไปเลยเพราะใ น, นสุดทะเลถล่มลงมาจาับบนยอดเขางั้นเลยพอมากเนายพานก็ติดตาไข่นายนพานพอดีติดบ่วงเละติดบ่วงนายพานเนพอนายพานจับ โอ้นกยูงตัวนี้มากำลังแรงเลยในพานท่นเอ๊จะทำยังไงจะจับยังใงนกนกยุงติดบ่วงแล้ ว, ตวแต่เนี่ยไปเห็นนกยุงตัวนี้เนี่ยเป็นนกยุงที่สวยงามมาก เ, เราเราไม่ควรจะจับถ้าจับไปก็ได้เอาไปถาไวายพระราชาก็กได้แต่เงินเพียงก็ไม่เท่าไหร่เราควรจะปล่อยดีกว่าให้อภัยสัตว์ดีกว่าคือ พอนกยุงทองติดบ่วงแล้วนั่นนายพานกลับพลิกใจใหม่ก็คงจะเนี่ยคงจะเกี่ยวกับคาถาของนกยุงทองกับมั้งแต่ช่วงนั้นเน่ยช่วงที่ลงมาเนี่ยลืมไล่พระคาถาใช่ไพอลงมาติดบ่วงเนี่ยมีอํานาจของอํานาจจิตของนกยุงทองเนี่ยคงจะโอ้ตายค่าติดบ่วงแล้วคงจะเป็นลักษณะนั้นถ้าที่นายพานเห็นนกยุงทองนะเกิดควา ม, มเมตตาเกิดความ ไม่อยากจะได้เงินอที่ตั้ง อ, อกตั้งใจมาถึงเจ็ดปีที่จะไปดักนกยุงทองในเจ็ปีนะเนพระราชาก็เป็นพระราชาคนที่เจ็ดนกยุงตัวนี้เขารักษาศีลมาถึงเจ็ดรอปีฮห้อายุยืนนกยุงทองตัวนี้พลที้สุดก็เลยนายพลานเลยเขาฆ่าพรเจ้าไม่ไปใกล้หรอกฆ่าพเจ้าจะเอาธนูยิงยิงสายป่านสายเอ๋ แล้วนะที่มันติดนกยูงให้มันขาดให้มันไปเลยข้าพระเจ้าไม่จับแล้วพอโกงธนูขึ้นไปนกยูงทองมองเห็นนะมองเห็นนานยพานเ อ, อ้ยนายพานข้าขอชีวิตด้วยข้าด้วยเธอข้ากับเธอยังไม่รู้จักกันทมมาําไมมาฆ่ามายิงข่า น, ยนายพานเลยเข้าไปไม่ใช่เราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าท่านนะแต่ข้าพระเจ้าจะยิงสายแล้ว่ะที่มันติดขาท่านนให้มันขาดไปเลยให้ท่านไปตามสบาย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 ถ้าผู้ใดก็ตามให้อภัยต่อสัพพสัตทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัตว์อนนี้สงเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนูกยุงทองบอกว่าผู้ใดก็ตามให้อภัยต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายไปป็นโลกภยายภาคหน้าก็คือไปสู่สวรรค์เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าอยู่ในมนุษย์โลกในชาตินี้ก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ให้อภัย ต่อสรรพสัตว์ต่อคนทั้งหลายเอ่อพลานก็ถามอีกว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเออด้วยศาสนาในยุคสมัยนี้เขาบอกว่าตายแล้วสูญนะครับนกยุงทองพญานกยุงทองอย่าไปเชื่อนกยุงทองอวะอย่าไปเชื่อว่าตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดอีกนี่พระทิดพระจันทร์หมนุนวกบุญเวียนอยู่อย่างนี้ไม่เห็นมันดับ วันพวกนี้มันขึ้นอีกวันต่อไปขึ้นอีกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันคนเราเกิดมาแล้วก็เกิดบุ่บวนเวียนตายเกิดตายเกิดอยู่ในวัาตะะรงสารนี่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ทั้งลกจุงทองก็ถามว่าเขาว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วไม่เกิดอย่าไปเชื่อลกจุงทองบ่างถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ให้ไปถามสมณะรามผู้ทรงศีลท่านต้องเลือกคัดสรรถามสมณะพราหม์ ผู้มีความรู้จริงเนีย่ยไปฐาน ก, กะวะเลกะวราดนะตั้งศึกษาให้แท้จริงนะเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเป็นอยู่เนะี่ยไม่ใช่จะฟังคำํำใดของใครใครผู้หนึ่งแล้วก็จะมาเชื่อเอาทีเดียวไม่ได้นะท่านนะจะให้นายพรานคนนั้นก็พอนึกขึ้นมาในใจเท่านั้นเขาได้เขาได้เป็นพระปัญเจกนะที่พรานคนนั้ น, น, น, นนะไอ้เขาบอกมีบุญบารมีอยู่แล้วเพราะได้ยินเสียงลูกยุงทองเทศเท่านั้นแหะพูดให้ฟังนะ เขาได้สำเร็จเป็นพระปฏิเจกผู้ได้เจ้าในขณะนั้นเขาก็บอกอนกยุงทองเข้าไปเจ้าได้เป็นพระปฏิเจกแล้วนะ่เดียวนี้นะพระปฏิเจกถ้าบุรมารมีมาถึงนั้นมันไม่ยากนะพอระลึลกถึงอนิจรรยทุกขังอน้าตาเนะี่ยปั๊บเข้าไปในหัวใจเท่านั้นสําเร็จเป็นพระปฏิเจกเลยท่านก็ได้เป็นพระปฏิเจกขึ้นมาในผ่านคนนะั้นโอ้ท่านข้าไปเจ้าได้เป็นพระปฏิเจกแล้วจะทํำยังไงข้าพระเจ้าจะไม่เบียดเบียนสัตว์แหละข้าพรเจ้าที่ตรัสรู้เป็นพระปฏิเจกแล้ว นกยูงทองบอกว่าเออก็ดีอนุโมทนานกพระประเจกเขบอกว่านี่นะข้าพเจ้าได้ขังนกทั้งหลายไว้ในบ้านของข้าพเจ้าและจะทำยังไงข้าพเจ้าขังไว้ทั้งหมดนกยูงทองกขแนะนำว่าให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าที่ข้าพเจ้าได้ขังนกไว้ในกร ง, งนั้นขอให้นกทั้งหลายเป็นอิสระด้วยเทอ ให้ตั้งกิจอธ่ติทานอย่างนี้นกยุงทองแนะนำํำพระปเจต ก, กจ็ตั้งกิจอธิษฐานและนกทั้งหลายก็ออกจากกรงทั้งหมดใ น, นที่คุมขังจากนั้นพระปเจกก็เลยเอามือนะรูปศีรษนะพอรูปศีรษะตอนนั้นแหะผมทั้งหลายก็หล่นหายหมดไปเลยอธิบริคานก็ลอยเข้ามาสวมเจากนั้นก็เข้าไปเจ้าไปแล้วนะ พญานกยุงทองนะเอท่านผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับข้าพเจ้าข้าพระเจ้าได้ฟังธรรมของท่านจนเข้าใจในธรรมข้าพระเจ้าขอลาไปแล้วนะท่านท่านนกยุงพญานกยุงทองนะจากนั้นพระประเจก็หอไปอยู่กับหมู่ของพระองค์คือเขาเขามูลกะคือเป็นวัดพระประเจกเป็นภูเขาอีกถ้ำกลุกก่มหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระปเจกพุทธเจ้าเ น, นี่แหละ สรุปแล้วคือนิทานด้วยฌานอกเรื่องนี้การที่พวกเราจะทำคุณงามความดีเนี่ยอย่าชลาใจอย่าคิดว่าจะ ค, คิดว่ากิเลสภายในใจของเราเพียงนิดหน่อย ม, มันจะไม่ทำร้ายทำลายเราเหมือนกับนกยุงทองท่านรักษาศีลบริสุทธิ์มาถึง700รปีแต่มีความชลาใจอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นทำให้เสียหลักทาให้เสียหลักลงได้จนติดบ่วงในพาน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 กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนกุฏวงทองคือกิเลสราคะที่เหยียบย่ําจนถล έ ถลายถลําจนเสียหลักนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายน่ขนาดเราตถาคตเป็นผู้มีศินทรงศินรักษาศินอยู่ตั้งเจ็ดรอปีก็ยังมีความล่มหลงยังมีถลําลงไปได้เพราฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ ความชั่วถึงนิดหน่อยความชั่วหนึ่งกดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่ในใจความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียตั้งแต่เบื้องตอน้นคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันหนึ่งกดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศล อ, อื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึนที่เกิดขึนแล้วก็จะเจริญมากขึนเหตุนั้นควรเจริญให้มาก <discomfort> เมื่อกูสนจเจริญให้มากแล้วพวกท่านทั้งหลายจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความสุขทั้งพบน้ชาตินี้มีความสุขทั้งพบต่อไปภายภาคหน้าอีกอันนั้นแหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบแต่คุณงามความดีสรุปแล้วก็คือคิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําอยู่เสมอนะแต่ตอนนี้ไปผะสงฆ์จันมุทนาให้พอ